ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่สิบสามทานะลักษณาดิวินิชยยะกถา ก, ากถาวิดิชัยว่าด้วยเรื่องลักษณะการให้เป็นต้นคำว่าทาน ในคำว่าการน้อมลาบด้วยการให้และการถือเอาด้วยวิสาสนี้ได้แก่การให้บริการมีจีวรเป็นต้นของตนแก่สัตวิวิหาริกเป็นต้นคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้มีลักษณะแห่งการให้ดังต่อไปนี้ทิสุย่อมกล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมให้เดมิย่อมให้ดห ด, าดามิหรือว่าทัชชามิก็แปลว่าย่อมให้ทั้งนั้น โอโนเชมิ no i, คือน้อมให้ปริจจ์ชามิหมายถึงสละให้วิสัชเชมิ i, ก็คือสละให้เหมือนกันแก่ท่านดังนี้หรือว่ากล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมให้ย่อมน้อมให้ ย, ใหย่อมสละให้แก่บุคคลชื่อนี้ดังนี้จะให้ต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามเป็นอันให้แล้วทีเดียวคือกล่าวเป็นการปัจจุบัน ถ้ากล่าวอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้แล้วจะมาทวงเอาคืนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อผู้ให้กล่าวว่าท่านจงถือเอาของท่านดังนี้ผู้รับกล่าวว่าข้าพเจ้าถือเอาของข้าพเจ้าดังนี้จัดเป็นการให้ดีแล้วและเป็นการถือเอาดีแล้วนะอาจจะกล่าวว่าท่านจงถือเอาเธอเป็นของท่านแล้วจงถือเอาผู้รับก็บอกว่าข้าพเจ้าถือเอาแล้วนะ เมื่อกล่าวว่าท่านจงกระทำให้เป็นของท่านจงเป็นของของท่านย่อมเป็นของของท่านดังนี้แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำให้เป็นของข้าพเจ้าจงเป็นของข้าพเจ้าจะทาให้เป็นของข้าพเจ้าจัดว่าเป็นการให้ไม่ดีและเป็นการถือเอาไม่ดีอนนี้ไม่เป็นการสละเป็นการให้เพราะว่าคำพูดยังไม่ดียังไม่ถูกต้องเพราะผู้ให้ย่อมไม่รู้เพื่อจะให้ ผู้รับนอกนี้ย่อมไม่รู้วิธีรับก็ถ้าว่าเมื่อกล่าวว่าท่านจงทําให้เป็นของของท่านย่อมถือเอาว่าดีละขอรับข้าพเจ้าจะถือเอาของข้าพเจ้าจัดเป็นการถือเอาดีแล้วก็ถ้าคนหนึ่งกล่าวว่าท่านจงถือเอาจีวรผืนนี้อีกคนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เอาผู้ที่ให้นั้นจึงกล่าวซ้ําอีกว่าข้าพเจ้าให้ท่านไปแล้วท่านจงถือเอาเถิด แม้พิกจุอีกรูปกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยจีวร น, นี้ดังนี้ต่อจากนั้นแม้พิกจุรูปแรกยังจีวรให้ล่วงเลยสิบวันไปด้วยคิดว่าเราให้ไปแล้วแม้พิกจุรูปหลังก็ยังจีวรให้ล่วงเลยสิบวันไปด้วยคิดว่าเราห้ามไปแล้วคือไม่รับเอาถามว่าอาบัตมีแก่พิกษุรูปใดเพราะว่าอาจจะจีวรตอนสิบวันนี้ก็มีอาบัติยิสกิยปาิตี เราฉะนั้นท่านเลยสิบันไปนี้จะมีอาบัติแก่รูปไหนตอบว่าไม่เป็นอาบัติแก่รูปใดเลยพิสษุรูปใดชอบใจพิสษุรูปนั้นพึงอธิษฐานแล้วใช้สอยเถิดสิ่งที่ให้ไปแล้วด้วยกล่าวว่าท่านจงให้แกพิสูตชื่อนี้ยังไม่ถึงมือของพิสษุรรูปอื่นเพียงใดพิสษุรูปใดส่งไปจัดเป็นของพิสูุรูปนั้นเพียงนั้นแต่สิ่งที่ให้ไปด้วยกล่าวว่า ข้าพเจ้าให้แก่ภิกษุรูปนี้เป็นของภิกษุผู้รับถ้าบอกว่าข้าพเจ้าให้แก่ภิกษุรูปนี้ก็เป็นของผู้รับไปแล้วแต่ถ้าบอกว่าท่านจงให้แก่ภิกษุชื่อนี้อันนี้ยังเป็นของผู้ทรงอยู่ยังไม่ได้เป็นของผู้รับเพราะฉะนั้นภิกษุฝางจีวรไปในมือของภิกษุด้วยกล่าวว่าท่านจงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ีิสุผู้รับฝากนั้นถือเอาด้วยวิสาสะต่อพิจุผู้ฝากเป็นการถือเอาถูกต้องเพราะว่ายังเป็นของผู้ที่ฝากคือผู้ที่ส่งไปผู้ที่ให้เนี่ยนะงั้นผู้ที่รับฝากนั้นสามารถถือวิสาสะก็ยังได้ถือเอาวิสาสะต่อผู้รับชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องเพราะว่ายังไม่ได้เป็นของผู้รับอยู่ที่คำกล่าวนะ พิกษุฝากจีวรไปในมือของพิกษุด้วยสั่งว่าจงให้จีวรผืนนี้แต่พิสุมีชื่อ น, นี้ก็ยังเป็นของผู้ส่งอยู่พิสุผู้รับฝากทราบข่าวเนี่ระหว่างทางว่าผู้ฝากถึงมรณภาพเสร็จแล้วจึงอธิษฐานเป็นมรดกจีวรของผู้ฝากชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง ถือเอาเสียด้วยวิจารษะต่อผู้รับชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องเพราะว่าคํากล่าวนี้ยังไม่ได้เป็นของผู้ที่รับยังเป็นของผู้ต่งอยู่นั้นขึ้นอยู่กับคำกล่าวด้วยนะถ้ากล่าวว่าท่านจงให้แจกพิษุชื่อนี้ยังไม่ถึงมือผู้รับผู้ต่งยังเป็นเจ้าของอยู่ถ้ากล่าวว่าขับเจ้าให้แจกพิษุชื่อนี้เป็นอันให้แล้วจีวรเป็นของผู้รับเพราะฉะนั้นคําพูดนี้ก็สําคัญเหมือนการโดยเฉพาะเป็นภาษาบาลี เป็นคำที่แน่นอนกว่าราษาไทยพิษุฝั่งจีวอนไปในมือของพิสุไปด้วยสั่งว่าจงให้จีวอนผืนนี้แก่พิษุมีชื่อนี้พิสุผู้รับฝากนั้นทราบข่าวในระหว่างทางว่าผู้รับถึงมรณะภาพเสร็จแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวอนมรดกของผู้รับชื่อว่าอธิษฐานยังไม่ถูกต้องเพราะว่ายังเป็นของผู้ส่งอยู่ถือเอาเสียพระวิสาสะ ต, ะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ถูกผู้ที่รับฝากเอาของไปให้กับผู้อื่นเนี่ยนะสามารถจยถือเอาจีวรนั้นด้วยอาการสองอย่างได้ก็คือถ้าพิกูุนผู้ให้เนี่ยกล่าวถูกต้องด้วยจีวรนั้นเป็นของผู้รับแล้วถ้าผู้รับนั้นเป็นผู้มรณภาพก็ถือเอาเป็นจีวรมรดกของผู้รับเนี่ยได้หรือว่าถ้าผู้ที่ส่งไปผู้ที่ให้เนี่ยกล่าวไม่ถูกต้องก็ยังเป็นของผู้ที่ส่งอยู่ ก็สามารถถือวิสาสะของผู้ที่ฝากไปหรือผู้ที่ส่งไปได้พิสุฝากจีวรนไปในมือของพิสุไปด้วยสั่งว่าจงให้จีวรผืนนี้แก่พิสุมีชื่อนี้นี่ก็ยังเป็นของผู้ส่งอยู่พิสุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่าทั้งสองรูปถึงมรณะภาพเสร็จแล้วจึงอธิษฐานเป็นมรดกของผู้ฝากชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง ถ้าอดิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องที่สุฝากจีวรแก่ทิ่สุไปได้วสั่งว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ทิ่สุมีชื่อนี้ที่สุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางด้วยวิสาสะต่อผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องถ้าถือเอาวิสาสะต่อผู้รับชื่อว่าถือเอาถูกต้อง เพราะว่าถ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่พิสุมีชื่อนี้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นของผู้รับไปแล้วก็ต้องถือวิสาสะเป็ <fascinating> นของผู้รับพิสุฝางจีวรไปแก่พิสุด้วยสั่งว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่พิสุมีชื่อนี้นี่ก็เป็นของผู้รับไปแล้วพิสุกู้ฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่าผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้วก็คือผู้ที่ให้เนี่ยนะ จึงอดิษฐานเป็นจีวรนมรดกของผู้ฝากคือผู้ที่ให้ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องถ้าถือเอาเสียพรวิสาสะต่อผู้รับคือผู้รับยังไม่ตายชื่อว่าถือเอาถูกต้องคำพูดนีก้ก็สาคัญนะตีพอบพระวิ น, นัยที่สุฝากจีวรแก่ที่สุไปด้วยสามว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ที่สุมีชื่อนี้นี่ก็เป็น การให้ที่ถูกต้องชื่อว่าเป็นของผู้รับไปแล้วพิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่าผู้รับถึงมรณภาพเสร็จแล้วจึงอธิษฐานเป็นชีวรมรดกของผู้รับชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องถือเอาเสียด้วยวิสาสะต่อผู้ฝากชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้องพิสูตฝากชีวรไปในมือของพิสูตด้วยสั่งว่าท้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แต่พิสูตมีชื่อนี้อันนี้ถือว่าเป็นของผู้รับไป ที่สุ่ผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่าทั้งสองรูปถึงมรณะภาพเสียจึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้ฝากชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้องอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องทิ่สุกโกรธด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ได้เพื่อให้นํามาซึ่งจีวรที่สละถวายไปแล้วอีกถ้าให้ด้วยการพูดที่ถูกต้องแล้ว จะโกรธเครืองจะให้เอากับคืนมาก็ไม่ได้จริงอยู่เมื่อพิษุถือเอาจีวรแม้ที่ตนถวายไปแล้วด้วยความสําคัญว่าเป็นของตนเป็นอาบัตินิสกิยะปะยิตีโกรธแล้วก็ชิงอาจีวรที่ตัวเองให้เอามาเนี่ยนะเมื่อชิงเอาบริขารอื่นโดยที่สุดแม้กระทั่งเข็มเป็นอาบัตทุกกฎแต่ถ้าเขาให้เองด้วยกล่าวว่าท่านครับจีวร น, นี้สมควรแก่ท่านดังนี้ย่อมควรถือเอา เมื่อพิสูจนถูกพระเถรรักล่าวด้วยคำเป็นต้นอย่างนี้ว่าคุณเราได้ให้จีวรแก่เธอได้หวังว่าเธอจะทำวัดและวัด ต, ตอบหมายถึงข้อวัดน้อยใหญ่จกถืออุปชาจากเรียนซึ่งธรรมในสมนักของเรามาแบบนี้เธอไม่กระทำวัดไม่ถืออุปชาไม่เรียนธรรมดังนี้จึงให้คืนว่าท่านครับดูเหมือนท่านจะพูดเพื่อต้องการจีวรนี้จีวรของท่านแม้เธอให้คืนด้วยอาการอย่างนี้ย่อมควร ก็หรือว่าพระเถระกล่าวถึงภิกษุ่มผู้หลีกไปสุ่ทิศว่าพวกเธอจงช่วยนำภิกษุ่มนั้นกลับภิกษุนุ่มนั้นไม่กลับจึงกล่าวว่าพวกเธอจงยึดจีวรไว้ถ้าให้กลับอย่างนี้เป็นการดีถ้าเธอกล่าวว่าพวกท่านดูเหมือนพูดเพื่อต้องการบาดและจีวรพวกท่านจงรับเอามันไปเถิดแล้วคืนให้แม้เธอให้คืนอย่างนี้ย่อมควร อันหนึ่งพระเถระเห็นเธอศึกแล้วกล่าวว่าเราได้ให้บาทและจิวนแก่เธอด้วยหวังว่าจากําวัดในบัดนี้เธอนั้นก็ศึกไปแล้วฝ่ายพิจูนุมที่ศึกไปพูดว่าขอท่านโปรดรับเอาบาทและจีวรของท่านไปเถิดแล้วให้คืนแม้เธอให้คืนด้วยอาการอย่างนี้ก็ควรแต่จะให้ด้วยกล่าวอย่างนี้ว่าเราให้แก่เธอผู้ถืออุปชาในสำนักของเราเท่านั้นเราไม่ให้แกผู้ถืออุปชาในที่อื่น เราให้แก่ผู้ทำวัดแก่เราเท่านั้นเราไม่ให้แก่ผู้ไม่ทำวัดเราให้แก่ผู้เรียนทำเท่านั้นไม่ให้แก่ผู้ไม่เรียนเราให้แก่ผู้ไม่ศึกเท่านั้นไม่ให้แก่ผู้ศึกดังนี้ไม่ควรถ้าจะพูดดางนี้แล้วให้บาตรีวงแก่เขาเนี่ยไม่ควรเป็นทุกกฎแก่ผู้ให้ด้วยนะแต่จะใช้ให้นำคืนมาควรอยู่แต่ถึงว่าถ้ารับศึกไปแล้วก็ให้ไปเอาคืนมาได้ เรียกตู่ผู้ชิงเอากีวอนที่ตนสละให้แล้วคืนมาพระวินัยทอนพึงปรับตามราคาสิ่งของก็คือถ้าให้เขาไปแล้วแล้วไปชิงเอาคืนมาในหน้าด้วยไถยจิตก็ให้ปรับอาบัติได้ก็ดูว่าราคาครบห้ามาตกหรือเปล่าถ้าครบก็เป็นปรราชิษิถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นประราชิษก็อาบัติทุรจริตหรือว่าทุกกฎไปวินิจฉัยในเรื่องของการให้มีเพียงเท่านี้แล แต่ควรรู้ลักษณะแห่งการถือเอาด้วยความวิสาสะโดยสูตรนี้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือหนึ่งเคยเห็นกันมาสองเคยคบกันมาสามเคยบอกอนุญาตกันไว้สี่ยังมีชีวิตอยู่ห้าเมื่อถือเอาแล้วทราบว่าเขาจักพอใจอันนี้เป็นองค์ของการถือวิสาสะ บรรดาบทรหล่านั้นบอทว่าสันทิธโถเคยเห็นกันมาได้แก่เพื่อนเคยเห็นกันเป็นเพื่อนเคยเห็นกันมาก่อนบทว่าสัมพัตโตเคยคบกันได้แก่เป็นเพื่อนสนิทเคยคบหานั่งนอนหรือว่าฉันด้กันบทว่าอาลปิโตเคยบอกอนุญาตไว้ได้แก่ผู้สั่งเพื่อนไว้ว่าท่านต้องการสิ่งใดซึ่งเป็นของผมท่านพึงถือเอาสิ่งนั้น ท่านก็ถือเอาสิ่งนั้นไปได้เลยนะไม่จาเป็นที่ท่านต้องขออนุญาตก่อนจงถือเอาแม้เพื่อนผู้นอนด้วยการนอนที่จะไม่ลุกขึ้นมาดูว่าเพื่อนที่นอนใกล้จมรณภาพยังไม่ถึงความขาดแห่งชีวิ ต, ติทริย์เพียงไรชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่เพียงนั้นลายบทว่าข้าหิตเตจะอัตามโนรู้ว่าเมื่อถือเอาแล้วเขาจะดีใจคือไม่โกรธ ความว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเขาจะพอใจการที่พิกษุเมื่อรู้ว่าครั้นเราถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเห็นปานนี้แล้วเขาจะพอใจจึงถือเอาย่อมสมควรก็พระผู้มีพระภาคเจา้าตรัดองค์ห้าเหล่านี้ไว้เรื่มหน้าแห่งการรวบรวมไว้โดยไม่มีส่วนเหลือแต่การถือเอาด้วยวิสาสะย่อมขึ้นด้วยองค์สามองค์สามเท่านั้นนะก็ถือเอาวิาสาสะได้แล้แต่ว่าที่แสดงไว้ห้าองค์นั้นก็ รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดก็คือเคยเห็นกันมาอย่างหนึ่งยังมีชีวิตอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเขาจักพอใจองค์สามนี้ก็ได้หรือว่าเคยคบกันมาทราบว่ายังมีชีวิตอยู่รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเขาจักพอใจอันนี้ก็องค์หนึ่งแล้วก็เคยบอกอนุญาตกันไว้ยังมีชีวิตอยู่รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้วเขาจักพอใจเพราะฉะนั้น องสองเนี่ยที่แน่นอนที่จะต้องมีก็คือเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้ว่าเมื่อถือเอาแล้วเขาจะพอใจส่วนอีกสององเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เคยคบกันมาเคยเห็นกันมาหรือว่าเคยบอกอนุญาตกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ที่แน่นอนต้องมีองสองก็คือยังมีชีวิตอยู่กับรู้ว่าเมื่อถือเอาแล้วเขาจะพอใจอันนี้จึงจะเป็นการถือวิสาสะขึ้นหมถึงว่าเขามาทวงเอากับคืนไม่ได้ ส่วนเพื่อนคนใดไม่มีชีวิตอยู่และคนใดเมื่อเราถือเอาแล้วจักไม่พอใจที่สุ พ, พึงให้คืนของที่ที่สุนั้นถือเอาโดยวิสาสะแก่เจ้าของเดิมและเมื่อจะคืนให้ทรัพย์มรดกควรคืนให้แก่ลาวชนผู้เป็นใหญ่ในทัตของที่สุผู้มรณภาพนั้นก่อนจะเป็นขรหัตหรือว่าบันปชิตก็ตาม ของเพื่อนผู้ไม่พอใจก็ควนคืนให้แก่ผู้นั้นนั่นเองคือถ้าเขาตายไปเนี่ยเขามอบมรดกให้แกบผู้ใดก็ต้องให้แก่ผู้นั้นไปจะเป็นพระธาตุหรือว่าบรรพชิตก็ตามถ้าเขาให้ก่อนตายส่วนที่สุใด้พลอยยินดีแต่แรกทีเดียวด้วยการเปล่งวาจาว่าท่านเมื่อถือเอาของของผมชื่อว่าทําชอบแล้วหรือเพียงจิตตก บ, บาทเท่านั้นภายหลังกโกรธด้วยเหตุบางอย่าง ทิ่งสูนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะให้นําคืนมาก็บอกให้ไปแล้วอะนะภายหลังจะไปเอาคืนมาไม่ได้แม้เธอรูปใดไม่ประสงค์จะให้แต่ยอมรับด้วยจิตคือจําใจให้ไม่พูดอะไรอะไรแม้เธอรูปนั้นก็ย่อมไม่ได้เพื่อจะให้นํามาคืนอีกก็คือเขามาขอเอาไปนะี่นะแล้วก็ไม่อยากให้หรอกแต่ว่าไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นไม่พูดอะไรเขาก็เอาไปแล้วก็เห็นอยู่นี่ เมื่อไม่ไม่พูดอะไรจะให้เอาคืนมาก็ไม่ได้ส่วนทิกสุดใดเมื่อเพื่อนทิกสูพูดว่าสิ่งของของท่านผมถึงเอาแล้วหรือผมใช้สอยแล้วจึงพูดว่าสิ่งของนั้นท่านจะถือเอาหรือว่าใช้สอยแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งของผมผมเก็บไว้ด้วยกรณีะบางอย่างจริงๆท่านควรทําสิ่งของนั้นให้เป็นปกติเหมือนเดิมดังนี้ที่สูนี้ย่อมได้เพื่อให้นํามาคืนนี่เป็นวิชัยในเรื่องของการวิสาสะ หมายถึงการถือเอาด้วยความคุ้นเคยชนิดแลต่อไปก็เป็นเรื่องการน้อมลาบก็การน้อมลาบนี้ท่านกล่าวหมายเอาการน้อมลาบที่ขอน้อมไปเพื่อบุคคลลาวอื่นมาเพื่อตนหรือเพื่อคนอื่นในเรื่องการน้อมลาบนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ถ้าน้อมลาบของสง์มาเพื่อตอนเองต้องบันทึกธกิยปฏิปีติถ้าน้อมลาบของสงมาเพื่อบุคคลอื่น ไม่ใช่เพื่อตอนเนี่ยต้องอาบัปตปาจิตตีแต่นี้ก็เป็นการน้อมลาบของบุคคลอื่นหรือว่าของสิ่งอื่นนอกจากส่งมาเพื่อตอนก็ต้องอาบัตเหมือนกันเรามีอาบัตทุกกฎได้เมื่อพิกูตรรู้ว่าน้อมลาบไปเพื่อส่งแล้วน้อมลาบที่เขาน้อมไปเพื่อสง่งอันเป็นของสธทมิก ก, ก็ดีของพวกขรห ก, กด็ดีโดยที่ตดแม้กระทั่งของมารดามาเพื่อตอนว่า ท่านจงให้สิ่งนี้แก่เราแล้วคือเอาเป็นนิสสักยญาปยิตีเป็นของใครก็แล้วแต่ที่เขาน้อมไปถวายสงแล้วน้อมมาเพื่อตอนเองก็อาบัตนิสสักยญาปยิตีเป็นสูตรที่กับปยิตีแก่ภิกษุผู้น้อมไปเพื่อคนอื่นอย่างนี้ว่าท่านจงให้แก่ภิกษุนี้เพราะฉะนั้นภิกษุใดรู้แล้วน้อมผ้าอาบน้ําฝนที่เขาน้อมไปเพื่อสง์ แม้ในเรือนของมันดาในสมัยแห่งผ้าอาบน้ำฝนมาเพื่อตนเป็นนิสสกิยาปยิตีน้องไปเพื่อผู้อื่นเป็นสุธิกะปะยิตีพวกชาวบ้านศึกษากันว่าผู้เราจะทําสังกะพัชจึง น, นําเนยใสและน้ํามันเป็นต้นมาถ้าแม้พิกตุอาภาครู้ว่าเขาน้อมไปเพื่อถวายพิจตุสง์แล้วยังขออะไรอะไรก็เป็นนิสสกิยาปยิตี ก็ท่าทีิจูอภ า, าถามว่าเนยใสเป็นต้นของพวกท่านที่นำมามีอยู่หรือเมื่อพวกเขาตอบว่ามีอยู่ครับแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงให้แกอาตมาบ้างดังนี้สมควรไม่เป็นวิญญาตเพราะว่าป่วยเมื่อป่วยแล้วก็ขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติก็ได้เมื่อมีเหตุสำหรับป่วยไข้เนี่ยข อ, อยาได้แต่ถ้าจีวอนนั้นไม่ได้ต้องขอกับคนที่ปรนนัยเวนต้ามีจีวรหาย หายสามผืนก็ขอกับผู้ที่ไม่ได้เปรนนาได้สองผืนนายสองผืนก็ขอได้ผืนหนึ่งถ้าหายผืนเดียวก็พอไม่ได้ก็ไปบางสกุลหรือว่าไปขอกับผู้ที่เป็นญาติบิณฑบานขอได้ด้วยอาการนิ่งจะขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เปรนนาไม่ได้แต่ถ้าปรนนาถ้าเป็นญาติก็ขอได้เหมือนกันเจนาสนะนี่ก็ไม่ให้ขอตรงๆแต่ทําโอภาษทานิมิตทํานิมิตกรรมทําโอภาษพวกนี้ได้ ปริคถา ต, ต่างๆได้ไม่ให้ขอตรงๆถ้าแม้พวกอุบาสกรังเกยียจเพิกศุอาพาธนั้นพูดว่าแม้สงย่อมได้เหนยใสที่พวกเราถวายนี้แหละนิมนต์ท่านรับเถิดครับแม้อย่างนี้ก็ควรพวู้ชบ้านก็บอกว่าสงก็นำยานำเภสันเหล่านี้ไปท่านก็รับจากสงก็แล้วกันเพิกุูน้อมราบที่ขอนอมไปถวายสงวัดหนึ่งเจาะจงวัดอื่นกล่าวว่า พวกท่านจงถวายแก่สงในวัดชื่อนู้นหรือย่อมน้อมไปเพื่อเจอดียอย่างนี้ว่าถวายแก่สงจะมีประโยชน์อะไรพวกท่านจงทำการบูชาเจดียเป็นอาบัติทุกกฏน้อมลาบส่งไปเพื่อบุคคลอื่นหรือว่าส่งมู่อื่นที่สูน้อมราบที่เขาน้อมไปเพื่อเจอดียเพื่อเจอดียอื่นเพื่อสงเพื่อคณะหรือเพื่อบุคคลเป็นอบัติทุกกฎตรงนั้นอันนี้เป็นลากส่์ แม้จะน้อมดอกไม้เจดีย์อื่นจากต้นไม้ที่เขากำหนดปลูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เจดีย์อื่นก็ไม่ควรแต่เห็นชักหรือธงแผ่นผ้าที่เขายกขึ้นตั้งไว้แก่เจดีย์แห่งหนึ่งแล้วให้ถวายของที่เหลือแก่เจดีย์อื่นสมควรอยู่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการน้อมลาบแต่ว่าข้าวของเครื่องบูชาที่เหลืออยู่ก็ให้ไปบูชาเจดีย์อื่นได้ชั้นที่สุดแม้อาหารที่ขอน้อมไปเพื่อสุนัข ที่สุ่น้อมไปเพื่อบุคคลอื่นอย่างนี้ว่าท่านอยากให้แก่สุนัขตัวนี้จงให้แก่บุคคลนั้นอย่างนี้ชื่อว่าน้อมล่าไปเพื่อบุคคลอื่นเป็นทุกกฎเหมือนกันอาหารที่จะให้แก่สุนัขเนี่ยบอกว่าโอ้ยอย่าไปให้มันให้แก่สุนัขมีไอ้สองน้อยแค่ร้อชาติเท่านั้นให้แก่มนุษย์นี่มีไอ้สงต้องฟันชาติเพราะนั้นก็ให้มนุษย์ดีกว่าอันนี้ก็ต้องบัตรทุกกฎหรือว่าก็จะให้แก่สุนัขตัวนี้บอกว่าโอ้ยอย่าไปให้สุนัขตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยมันดุมันไม่เชื่องให้กับตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นเชื่องอันนี้ก็อ ბ ัตทุกกฎเหมือนกันสําหรับตระพิกสุถ้าพวกทายกกล่าวว่าพวกเราอยากจะทําสังกพัฒน์อยากจะบูชาเจดียอยากจะถวายบริขารแก่พิสุรูปหนึ่งจักถวายตามความพอใจของท่านคือขอท่านช่วยบอกหน่อยขอท่านโปรดบอกเถิดพวกเราจะถวายในที่ไหนเมื่อพวกทายกกล่าวอย่างนี้แล้วพิสุ น, นั้นพึงบอกแก่พวกเขาว่า พวกท่านจงถวายในที่ซึ่งพวกท่านปราชนะแต่ถ้าพวกทายกถามอย่างเดียวว่าคือถามคือจะให้บอกแหละว่าพวกข้าเจ้าจะถวายณที่ไหนพิสุจะกล่าวว่าทายธรรมของพวกท่านพึงได้รับการใช้สอยหรือพึงได้ปฏิสังขรหรือพึงตั้งอยู่ได้นานในที่ใดก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในพิสุ ใ, ใดก็จงถวายในที่นั้นเถิดดังนี้ก็ควรถ้าเขาถามอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็บอกได้ แต่ว่าถ้าบอกเจาะจงเลยนี่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะนั้นอ้ามีจิตเติมใสในที่ใดในวิสุรูปใดก็ถวายที่นั้นเถอะอันนี้ก็เป็นความสมควรสรุปว่าลาบที่เขาถวายสองเนี่ยนะถ้าน้อมไปเพื่อตนตั้งบัตรนิสัยิยัปปายตีถ้าน้อมไปเพื่อคนอื่นตั้งบัตรสุทิกะปจิตีหรือว่าน้อมลาบสองวัดนี้ไปวัดอื่นก็ต้องอาบัตพองการอาบัตทุกกฎ หรือว่าน้อมราบของสงไปเพื่อเจดีทุกกดเหมือนกันน้อมราบของเจดีหนึ่งไปยังเจดีอื่นก็ทุกกดน้อมราบของเจดีหนึ่งไปเพื่อสงก็ทุกกดน้อมราบของเจดีหนึ่งไปเพื่อคณะหรือว่าเพื่อบุคคลก็ทุกกดหรือน้อมราบของเจดีมาเพื่อตนนี่ก็ทุกกดเหมือนกันแต่ถ้าน้อมราบของสงนี่มาเพื่อตนอบัตนิสกิยปยิตีดยที่สุดรากของสุนั น้อมไปเพื่อคนอื่นเพื่อสิ่งอื่นหรือว่าเพื่อสงก็ตามต้องอบัตทุกกฎมันก็ไม่ควรจะเป็นน้อมลาบที่เขาน้อมไปเพื่อสงเพื่อบุคคลอื่นไปแล้วก็น้อมไปที่อื่นอันนี้ไม่เหมาะสมก็ถามวินิจฉัยเรื่องลักษณะาการให้เป็นต้นก็คือเรื่องการให้การวิสาสะแล้วก็เรื่องการน้อมลาบในบาลีมุตตะวินยัวินิจฉัยสังหะจบแล้วก็ขอให้ท่านเด็นู่รักษาพระวินยัย รงพระวินัยเพื่อการได้ปีติปาโมทเพื่อที่จะไม่มีวิปติสารแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความเบือหน่ายแคลดกำนับในสังคารทั้งหลทั้งปวงเพื่อตับสรุปพระนิพพานโดยทั่วกันเทือนอัุสาธุอาธุ